สวัส ด, ดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในคช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูหนึ่งร้อยเจ็สิบสามตอนบุตรน้อยหลงหายนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พี่น้องที่เป็นคริสเตียนมาสักระยะหนึ่งคุ้นเคยกันมากจึงปรากฏอยู่ในพระธรรมลูกาบทที่สิบห้าข้อที่สิบเอ็ดจนถึงข้อสามสิบสองลูกาบทที่สิบห้าข้อที่สิบเอ็ดจนถึงข้อสามสิบสองครับโปรดฟังโระชนะของพระเจ้า พระองค์จัดว่าชายคนหนึ่งมีบุตรสองคนบุตรคนเล็กพูดกับบิดาว่าบิดาเจ้าค่ะขอทรัพย์ที่ตกไปเป็นส่วนของข้าพเจ้าเถิดบิดาจึงแบ่งสมบัติให้แก่บุตรทั้งสองต่อมาไม่กี่วันบุตรคนเล็กนั้นก็รวบรวมทรัพทั้งหมดแล้วก็ไปเมืองไกลและได้ผานทรัพย์ของตนที่นั่นด้วยการเป็นทัครรเมื่อใช้ทรัพย์หมดแล้วก็เกิดกันดานอาหารยิ่งนักทั่วเมืองนั้นเขาจึงขับสน เขาไปอาศัยอยู่กับชาวเมืองนั้นคนหนึ่งและคนนั้นก็ใช้เขาไปเลี้ยงหมูที่ทุ ง, งาเขาใไข่จะได้อิ่มท้องด้วยฝักถั่วที่หมูกินนั้นแต่ไม่มีใครให้อะไรเขากินเมื่อเขารู้สำนึกตัวแล้วจิงพูดว่าลูกจ้างของบิดาเรามีมากยังมีอาหารกินอิ่มและเหลืออีกส่วนเราจะมาตายเสียที่นี่เพราะอปปดอาหารจําเราจะลุกขึ้นไปหาบิดาเรา และพูดกับท่านว่าบิดาเจ้าค่ะข้าพเจ้าได้ผิดต่อสอนและผิดต่อท่านด้วยข้าพเจ้าไม่สมควรจะได้ชื่อว่าเป็นลูกของท่านต่อไปขอให้ท่านให้ข้าพเจ้าเป็นเหมือนลูกจ้างของท่านคนหนึ่งเถิดแล้วเขาก็ลุกขึ้นไปหาบิดาของตนเมื่อเขายังอยู่แรงไกลบิดาเห็นเขาก็มีความเมตตาจึงวิ่งออกไปกอดหยุบเขาฝ่ายบุตรนั้นจึงกล่าวแก่บิดาว่าบิดาเจ้าค่ะ ข้าพเจ้าได้ผิดต่อสวรรค์และต่อท่านข้าพเจ้าไม่สมควรจะได้ชื่อว่าเป็นลูกของท่านต่อไปแต่กีด้าทางบ่าวของตนว่าจงรีบไปเอาเชือกอย่างดีที่สุดมาสวมให้เขาแลแ้แหวนมาสวมมือมือจะเอารองเท้ามาสวมให้เขาจงเอาลูกวัวอ้วนพีมาฆ่าเลี้ยงกันเพื่อความรื่นเริงยินดีเถิดเพราะว่าลูกของเราคนนี้ตายแล้วแต่กลับเป็นอีกหายไปแล้วแต่ได้พบกันอีก ท้องไร่ต่างก็มีความรื่นเริงยินดีนะครับทาอุกมาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สามนะครับก็คือคนหายครับคนในที่นี้หมายถึงบุตรน้อยครับก็คือลูกคนเล็กที่น้องครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คุ้นเคยกับคือเตียน ม, มากตามคำทำเนียมของคนยิวนั้นเขาอนุญาตให้ผู้เป็นบิดาในครอบครัวทําพินัยกรรมนะครับเกี่ยวกับทรัพย์สมบัติของตัวเอง ถ้าอาจจะแบ่งทรัพย์สมบัติให้ลูกหลานในตอนที่มีชีวิตอยู่ก็ได้แบ่งไงก็ตามครับไม่มีธรรมเนียมสําหรับบุตรชายที่จะขอส่วนแบ่งในสมบัติดังที่บุตรคนเล็กทํานะครับตามกฎหมายที่บันทึกไว้ในจุลธรรมัญญาดั้นบุตรชายคนแรกในครอบครัวจะได้สองในสามของสมบัติทั้งหมดของบิดาข้อนี้หมายความว่าบุตรชายคนเล็กในครอบครัวจะได้รับบ ร, รดกหนึ่งในสามของทั้งหมดพี่น้องครับหนึ่งในสามของทั้งหมด ก็ค่อนข้างจะเป็นตัวเลขหรือจานวนที่เยอะพอสมควรนะครับตามข่าวอมมาที่พระเยซูทรงเล่านั้นบุตรชายคนเล็กก็นําเงินเขาออกเดินทางไปเมืองไกลเมืองไกลตรงนี้นะครับอาจจะเป็นกรุงโรมหรืออาจจะเป็นอันติโอกนะี่ครับอันติโอกก็อยู่ทางเหนือของเยรูซาเล็มครับสถานที่ทั้งสองแห่งนี้เป็นสถานที่ที่ยอดนิยมสําหรับชายหนุ่มผู้มัง่งทั่งในสมัยโบราณ ในสมัยของพระเยซูนั่นเองครับเขาใช้เงินอย่างสุรุ่ยสุดไร้ในการเลี้ยงชีพนะครับเขาคบเพื่อนนะครับแล้วก็ทําตัวเป็นเหมือนนักเลงครับนักเลงในที่นี้นะครับถ้าจะเปรียบเทียบกับในสมัยนี้ก็คือเพย์บอลนั่นเองนะครับก็คือใช้เงินนะครับไปหาซื้อความสุขใช้เงินหาเพื่อนใช้เงินไปทําบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้เขาเงินลบไปเรื่อยๆอาจจะเป็นการเล่นการพ น, นัน นะครับหรสิ่งเพสพติดอะไรทํานองนี้ครับยังไงก็ตามครับในข้อที่สิบสี่บอกว่าเมื่อเขาใช้ทรัพย์ผลแล้วก็เกิดการดังอาหารยิ่งนักทั่วเมืองนั้นพูดง่ายๆก็คือว่าเขาไม่มีปัญญาที่จะทาหากินครับนะแล้วก็ข้าวยากหมากแพงในเมืองนั้นชายผู้นี้ก็เลยสัดสนครับไปขออาศัยอยู่กับชาวเมืองนั้นคนหนึ่งและคนนั้นก็ไปเลี้ยงหมูที่ทุ่ ง, งานาปีน้องครับ การเลี้ยงหมูนั้นไม่ใช่เป็นอาชีพของคนยิวนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าคนยิวนั้นไม่กินหมูเพราะเพะิ่มปีห้ามกินหมูนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อการดานอาหารราคาอาหารก็สูงขึ้นอาหารก็หายากครับคนก็ตกงานก็เป็นเรื่องที่ยากมากที่เด็กหนุม่มชาวยิวจะหางานทําในเมืองของคนต่างชาตินะครับแต่ในที่สุดงานเลี้ยงหมูก็เป็นงานที่ เขาก็ได้คงจะได้รับข้าแจ้างถูกนะครับแล้วก็ไม่มีจะ ก, กินด้วยชาวยิวนั้นมีกฎห้ามเลี้ยงหมูห้ามแตะต้องหมูห้ามรับประทานเนื้อหมูเพราะว่าเป็นฉันที่มีมนทิงไม่สะอาดนะครับคนยิวจะต้องไปเลี้ยงหมูก็รู้สึกว่าาอายมากเป็นเรื่องเป็นการเสื่อมเสียเกียริเสื่อมเสียศักดิ์ศรีของคนเป็นกวของคนยิวนี่แต่เนื่องจากว่าความหิวครับหมดหนทาง จนกรอกแล้วนะครับถึงขนาดที่เขาต้องแย่งฝักถั่วที่เขาให้หมูกินฝักถัว่วเ่านี้อาจจะเป็นฝักของต้นไม้ชนิดหนึ่งนะครับมีลักษณะแบนยาวมีรสหวานนะ ค, คนที่ยากจน จ, นจริ ง, จ ร, งจริงจะกินถัว่วเหล่านี้ครับและก็เพราะเนื่องจากว่าเขาไม่มีอะไรจะกินไม่มีใครให้เขากินด้วยพี่น้องครับในข้อ17ได้กล่าวว่าวันหนึ่งชายคนนี้ต้อหนักว่าเขาควรจะกลับบ้านแล้ว เพราะเขารู้ว่าคนใช้นะครับที่บ้านพ่อเขาเนี่ยจ้างไว้่ก็ยังมีอาหารกินมากกว่าเขาสิคําว่ารู้สํานึกตัวเป็นคําสําคัญครับคําว่ารู้สํานึกตัวมีความหมายว่ากลับใจหรือเสียใจเขาคิดว่าเขาจะกลับไปหาบิดาคุณพ่อของเขาเพื่อสารภาพและแสดงความเสียใจนะครับพี่น้องครับเราดูในข้อที่สิบแปดสิบเก้านะครับเป็นข้อที่สําคัญมากที่สุดในขอ้อความผีตอนนี้ ข้อที่แปกล่าวว่าจำเราจะลุกขึ้นไปหาบิดาเราและพูดกับท่านว่าบิดาเจ้าค้คข้าพเจ้าได้ผิดต่อสวรรค์และผิดต่อท่านด้วยข้าพเจ้าไม่สมควรจะได้ชื่อว่าเป็นลูกของท่านอีกต่อไปขอท่านให้ข้าพเจ้าเป็นเหมือนลูกจ้างของท่านคนหนึ่งเถิดน้องครับสองข้อนี้ทำให้เรารู้ว่านี่คือความรู้สึกของคนที่กลับไปใหม่ครับเขาผิดต่อสวรรค์ผิดต่อ พ่อของเขาแี่น้องครับการที่เราทาบาปสักอย่างแน่นอนครับเราผิดต่อสวรรค์นแน่นอนสวรรค์เป็นที่สะผิดอยู่ของพระเจ้านะครับพระเจ้าเป็นเจ้าของสวรรค์เราผิดต่อพระเจ้าและยังผิดต่อนคนด้วยนะครับถ้าเราทําบางซิ่งบงอย่างที่เป็นความบาปนะครับแน่นอนครับมีความผิดอยู่สองสถานและในข้อที่สิบเจ้าบอกว่าข้าพเจ้าไม่สมควรจะได้ชื่อว่าเป็นลูกของท่านต่อไปนะครับ ไม่สมควรจะได้ชื่อว่าเป็นลูกของท่านอีกต่อไปขอให้เป็นเหมือนลูกจ้างของท่านคนหนึ่งเถิดพี่น้องครับขณะที่เขาคิดนะครับสิ่งที่สามมาก็คือเขาทำครับในข้อยี่สิบบอกว่าแล้วเขาก็ลุกขึ้นไปหาบิดาของตนพี่น้องครับถ้าเรามีความคิดนะครับเรามีความรู้สึกเรากับใจแต่ไม่กระทำไม่แสดงออกนะครับไม่ลุกขึ้นมา พี่น้องจะได้รับการอภัยโทษไหมครับจะได้มีชีวิตใหม่ไหมครับโอไม่มีใช่ไหมครับแต่ถ้าเราบอกว่าเรารู้จักเราได้ยินนะครับเรารู้เรื่องและเรากลับใจเสียใหม่ว่ายอมรับว่าเราเป็นคนบาปทิ่งสําคัญก็คือว่าต้องลุกขึ้นครับต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตครับเมื่อเราเปลี่ยนแปลงชีวิตนั่นแหละครับคือบทพิสูจน์ของการกลับใจใหม่เราจะได้รับการยกโทษไในข่อ20กล่าวว่าเมื่อเข้ามาถึงบ้านอีดาเขาก็ มองเห็นเขาแต่ไกลพี่น้องครับการว่ามองเห็นแต่ไกลนั้นแสดงว่าไม่อยู่ที่เสื้อผ้านะครับรูปรักภายนอกรูปรักภายนอกเขาคงจะโทมนะครับเสื้อผ้าคงจะผ่านลูกยิ่งแต่เขาเห็นเหมือนกับเป็นมีการติดต่อกันนะครับพ่อกับลูกเนี่ยไม่มีสายใยผูกพันกันเห็นปั๊บแต่ไกลรู้เลยครับว่าเป็นลูกของเขาพี่น้องครับ พิงค้อนั้นก็รีบวิ่งมากอดไม่รังเกียจความสกรปรกของคนเลี้ยงหมูแล้วก็จูบจูบลูกของเขาและก่อนที่ลูกจะสะาภาพแสดงความเสียใจนะครับบิดาของเขาก็ให้อภัยเขาก่อนแล้วนะครับพี่น้องครับก่อนที่เราจะสะรารภาพและแสดงความเสียใจของประธานทักคุณเตรียมรอ นะครับรอให้เรารับเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับบิดาได้อยากให้คนใช้นําเสื้อผ้าที่ดีที่สุดมาให้นําแหวนมาสวมนิ้วนํารองเท้ามาสวมให้นะครับคงจะจินตนาการได้ว่าบุตรคนเล็กนี้จะต้องแต่งตัวมอซอมแมมครับรุ่งริ่งครับหลังจากที่ต้องเผชิญกับความยากจนการเดินทางทางไกลกลับบ้านนะครับผู้เป็นบิดาก็สั่งให้เอาลูกวัวมาฆ่าเลี้ยงเสริมกันในข้อยึดสี่สำคัญครับ ลูกของเราคนนี้ตายแล้วแต่กลับเป็นขึ้นมาอีกหายไปแล้วแต่ได้พบอีกครับพี่น้องครับคําว่าตายนี่มีความหมายว่าไงครับไม่ได้หมายความว่าร่างกายเขาตายไปจริงจริงนะครับแต่ตายนี่หมายความว่าคือเข er านนแยกจากกันนะครับแยกจากกันทางฝ่ายร่างกายนะครับพี่น้องครับความหมายของคำ ว, ว่าตายก็คือแยกครับแยกจากกันฝ่ายร่างกายนะครับก็คือ เขาหลุดออกจากบ้านเขานะครับตอนที่แบ่งสมบัติแต่เวลานี้ก็เป็นขึ้นมาอีกครับหมายความว่าความสัมพันธ์ร่างกายเขาได้เจอกันอีกเข้าใครับนี่คือสิ่งที่เป็นเรื่องขําอุปมานี้ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับคนบาปครับที่ตระหนักว่าเมื่อเราได้ทําบาปต่อพระเจ้าเพราะบิดาบนสวรรค์ของเราตรงปรารถนาที่จะเห็นและรอคอยคนบาปที่จะกลับใจใหม่ครับลุกขึ้นนะครับ แสงออกถึงการกลับใจใหม่ครับกลับมาหาพระเจ้ากลับบ้านเถิดกลับบ้านเถิดนะครับพระบิดาของเราพระเจ้าของเรารอคอยลูกของพระองค์ครับขณะที่คนบาปเริ่มสารภาพบาปของเขาพระเจ้าก็เริ่มอภัยกับเขาแล้วครับแต่พี่น้องครับการสารภาพนั้นจะต้องมาจากใจจริงครับเชื่อคลุมนะครับที่ให้นั้นในพระคัมภีร์ว่าเรียกว่าความชอบธรรมนะครับเรียกว่าเชื่อคลุมเห็นความชอบธรรมแหวนนะครับ ก็จะมีนักวิชาการบอกว่าแหวนนี้ก็คือเหมือนกับเป็นสิ่งที่ผูกพันกันไว้สิ่งที่เป็นรักจํานะครับบางคนก็อธิบายว่าน่าจะเป็นก้อวิญญาณบริสุทธิ์นะครับส่วนรองเท้าครับรองเท้านะครับก็จะเป็นเครื่องแสดงถึงสถนานภาพนะครับสถนานภาพของเขาในการที่เขานั้นเป็นเจ้าหน่ายนะครับเป็นลูกของ เจ้านายเป็นลูกของเท่าแก่นี่คือคำอธิบายของนักวิชาการทั้งหลายที่ได้พยายามอธิบายถึงของสามสิ่งนี้ก็คือแหวนนะครับเสื้อผ้าและก็รองเท้าอย่างไรก็ตามครับครับโอบมาสนี้นะครับไม่ได้จบลงที่บีดามีความสุขเมื่อเห็นลูกกลับมาแต่สิ่งที่น่าสนใจในวันนี้ก็คือ การกลับใจหมายนั้นนํามาซึ้งความชื่นชมยินดีและการยกโทษแท้จริงแล้วบุตรคนนี้เขาผ่านคับสมบัติของคุณพ่อไปนะครับไม่สมควรได้รับการยกโทษสมควรได้รับการลงโทษต่างหากไม่ใช่เลยครับแต่ด้วยความรักของคุณพ่อที่มีต่อลูกทำให้ชายหนุ่มคนนี้ได้รับสารในพยาโทษนั่นคือพระคุณครับพระคุณก็คือสิ่งที่เราได้รับ ทั้งๆ ท, ที่ไม่สมควรเนียครับขอพระเจ้าช่วยแล้วนะครับในเช้าวันนี้ที่เราจะล้ำลึกถึงพระคุณของพระเจ้าพระเจ้าได้ประทานหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามาทั้งๆ ท, ที่จริงๆแล้วเราไม่สมควรจะได้รับเลยครับขอพระเจ้าเมตตาเราจะขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าสําหรับพระคุณของพระองค์และความรักเมตตาของพระองค์อาเมน